บารมีต่างๆที่พระบรมบศาสดาได้ทรงสอนให้บำเพ็ญเพื่ออนาคตที่ดีที่เจริญที่สุขที่ห่างไกลจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะบุญบารมีนี้เป็นเหมือนกับพาหนะเป็นเหมือนกับรถ ที่จะพาให้ผู้บำเพ็ญได้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ประเสริฐเลินโลกหลังที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกันดังนั้นการบำเพ็ญบุญบรารมีจึงเป็นเรื่องสำคัญพอๆกับการท ร, รมหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ส่วนเรื่องการหาความสุขทางโลกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่เป็นสิ่งสำคัญเลยและเป็นโทษเสียด้วยซ้ำไปถ้าไม่รู้จักประมานเพราะจะทำให้เสียเงินเสียทองเสียเวลาที่จะพึงนำเอามาใช้ในการบําเพ็ญบุญบารมีไป ความสุขที่ได้ก็เป็นเพียงชั่วคราวเพียงในในขณะที่ได้สัมผัสเท่านั้นแต่หลังจากนั้นแล้วก็จากหายไปเหมือนขวันไฟปล่อยให้จิตใจมีแต่ความอ้างว้างกล่าวเปลี่ยวมีแต่ความว้าเหวมีแต่ความต้องการความอยาก ดังนั้นอย่าเสียเวลาไปกับการแสวงหาความสุขทางโลกมากจนเกินไปถ้าไม่แสวงหาได้เลยยิ่งดีใหญ่เช่นผู้ที่ออกบำเพ็ญเนคขมะบารมีคือพวกที่ถือสิงแปกพวกนี้จะตัดการหาความสุขทางตาทางหูทา ง, ทา ง, ทางจมูกทางลิ้นทางกาย มาอยู่วัดถือสีลแปดเช่นไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานอาหารเป็นพอประทังชีพเป็นเหมือนรับประทานยาคือรับพอพอเพียงกับร่างกายรับประทานวันละครั้งเดียวหรือไม่เกินเที่ยงวันก็พอเพียงแล้วไม่จำเป็นจะต้องรับประทานอาหาร ตอนเย็นตอนค่ำตอนก่อนนอนหรือตอนดึกหลังจากที่ลุกออกมาจากที่นอนการรับประทานแบบนี้เป็นการรับประทานแบบยาเสติตรับประทานเพื่อความสุขชั่วประเดียวประดาวแล้วก็กลายเป็นธาตุของการรับประทานอาหารอย่างไม่รู้จักประมาณไปทําให้ร่างกายผอมอ้วน รูปร่างไม่น่าดูมีโรคภัยต่างๆมาเบียดเบียนเพราะไม่ทำบุญแทนไม่ได้ให้อาหารกับใจถ้าได้ให้อาหารกับใจใจจะมีความอิ่มจะไม่หิวไม่อยากอาหารจะรับประทานเพียงครั้งเดียวหรืออย่างมากก็สองครั้งและไม่ให้เลยหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว เป็นเหมือนกับ เ, เติมน้ํามันรถยนต์เราจะเติมน้ํามันกี่ครั้งก็ได้แต่เมื่อมันเต็มถังแล้ว <c oughs> มันก็เติมไม่ได้อีกทองของคนเราก็เหมือนถังน้ํามันถ้าเรากินหนเดียวให้มันอิ่มให้เต็มท้องไปเลยเหมือนกับเติมน้ํามันทีเดียวให้มันเต็มถังไปเลยเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาคอยกินอยู่เรื่อยๆ ส่วนใหญ่ที่เรากินนี้ไม่ได้กินเพื่อร่างกายกันกินเพื่อกิเลสกินเพื่อความอยากร่างกายบอกว่าพอแล้วรับประทานไม่ไหวแล้วน้ำหนักเกินแล้วแต่ใจมันแต่กิเลสมันยังหิวมันยังอยากอ ย, กอยู่การหาความสุขด้วยการเลี้ยงดูกิเลสนี้ไม่ได้เป็นการเลี้ยงดูจิตใจแต่เป็นการ ซ้ำเติมจิตใจเป็นการนำความทุกข์ให้เข้ามาสู่จิตใจลองคิดดูคนที่กินหนเดียวหรือกินกินไม่กินเพียงก่อนเที่ยงวันไปแล้วคือหลังจากเที่ยงวันไม่กินแล้วกับคนที่จะต้องกินอยู่เรื่อยๆนี่ใครจะวุ่นวายกว่ากันคนที่ต้องกินอยู่เรื่อยๆนี้จะต้องวุ่นวายอยู่เรื่อยๆ ต้องคอยหาอาหารอยู่เรื่อยๆแต่คนที่เขากินหนเดียวหรือกินไม่กินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเขาจะสบายหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจิตใจของเขาก็ไม่ต้องมาพวะกพวบนกับเรื่องการหาอาหารมารับประทานอีกต่อไปจนกว่าจะถึงวันรุ่งขึ้นนี่คือการบำเพ็ญในกัมมะบาลเม คือการออกจากกามสุขกามสุขนี้ท่านเปรียบเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดมันเป็นอาหารเพียงชิ้นนิดเดียวเท่านั้นเองไม่ได้ให้อิ่มท้องเลยตลาที่ไม่ฉลาดพอไปหุบเอาเหยื่อเข้ามันก็ถูกเบ็ดตะขอเบ็ดเกี่ยวติดอยู่ที่คอทำให้ทุกข์กวนกวย คนที่ติดกับความสุขทั้งโลกทลั้งรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นเหมือนกับคนติดยาเสพติดเมื่อได้เที่ยวแล้วก็ต้องเที่ยวอีกเมื่อได้ดูได้ฟังแล้วก็ต้องดูต้องฟังอีกถ้าให้อยู่เฉยๆเช่น ว, วันถ้าเกิดไฟฟ้าดับเปิดโทรทัศน์ก็ไม่ได้เปิดวิทยุฟังก็ไม่ได้ ก็จะรู้สึกหนเหย็ดเศ้าซ้อยหงอยเหงาขึ้นมาทันทีเพราะจิตใจถูกกิเลสหลอกให้ไปติดกับสิ่งที่ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจนั่นเองสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจก็คือความสงบความสงบที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญบุญบา ร, รมีต่าง เช่นทานบรารณีศีลบรารณีในข ม, มบรารณีนอกจากไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ร้องลัมทำเพลงไม่ดูหนังฟังเพลงไม่หาความสุขจากการรื่นเริงบันเทิงต่าง เพราะมันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงนั่นเองและการหลับนอนก็ไม่หลับนอนบนฟูกหนาๆหลับนอนบนพื้นแข็งๆปูด้วยเสือ่อหรือพูด้วยผ้าเป็นการพักผ่อนหลับนอนสำหรับร่างกายไม่ต้องการความสุขเพราะจะเสียเวลาถ้านอนกับฟูกหนาๆแล้วมันจะนิ่มมันจะสบาย มันจะนอนมากเกินไปแทนที่จะนอนสี่ห้าชั่วโมงก็จะนอน 8-9 ้าชั่วโมงทำให้เสียเวลาเพราะเวลาของชีวิตเหล่านี้มันมีคุณค่ามากไม่ควรที่จะให้เสียไปกับการหลับนอนกับการรับประทานเกินประมาณเพราะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับจิตใจ ไม่ได้พัฒนาจิตใจให้ดีขึ้นสูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นพบชาติที่ประเสริฐอย่างยิ่งถ้าเปรียบเทียบก็เปรียบเหมือนกับการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ม, มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายและรางวัลก็เป็นรางวัลที่ใหญ่โตมาก การมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เช่นเดียวกันเพราะมนุษย์เท่านั้นที่จะมีโอกาสที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ที่จะคว้ารางวัลที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับสัตว์โลกได้นั่นก็คือการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่าตายเกิดไม่มีศาสนาใดไม่มีผู้ใดในโลกจะมอบสิ่งนี้ ให้กับสามโลกได้มีแต่พระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่การที่จะรับรางวัล น, นี้ได้ก็ต้องมีการประพฤติมีการปฏิบัติมีการศึกษาก็ต้องมีเวลาถึงจะศึกษาได้ถึงจะปฏิบัติได้ถ้าไม่มีเวลาเช่นเอาเวลาไปหลับไปนอนเอาเวลาไปหาความสุข ด้วยการเที่ยวเตะด้วยการรับประทานอาหารเช่นคนที่เที่ยวกลางคืนเมื่อคืนนี้ออกไปเที่ยวอยู่จนดึกจนดื่นตอนนี้ก็คงยังหลับอยู่ยังไม่ตื่นก็จะไม่มีเวลาได้มาวัดมาบำเพ็ญบุญบารมีมาศึกษามาปฏิบัติธรรมถ้าไม่ได้ศึกษาก็จะถูกความหลงครอบงำจิตใจทาให้คิดว่า ความสุขที่แท้จริงก็คืออยู่กับการกินการนอนนี้เองแต่หารู้ไม่ว่ามันเป็นเหมือนกับสุกรที่เขาเลี้ยงหรือไก่ที่เขาเลี้ยงในฟาร์มเขาให้มันกินอย่างอิ่มหนีพีมันเพื่อเขาจะได้เอาน้ำหนักเอาเนื้อไปขายต่อไปแต่เนื้อของมนุษย์นี้กลับไม่มีคุณค่าเหมือนกับเนื้อของไก่ของสุกร เวลาตายไปแล้วก็มีแต่เอาไปเผาทิ้งเอาไปฝังทิ้งเท่านั้น <c oughs> สุกรเขาอย่างน้อยเขาก็ยังมีราคาแต่คนนี่ที่เอาแต่กินเอาแต่นอนเอาแต่หาความสุขจะไม่ได้ทําอะไรให้เป็นประโยชน์กับตนเลยตายไปแล้วก็จะไปแบบแบบหิวกระหายแบบหยาก แบบต้องการเพราะว่าไม่ได้เลี้ยงดูจิตใจด้วยการบําเพ็ญบุญบารมีต่างๆนั่นเองการบําเพ็ญบุญบารมีนี้เป็นการให้อาหารกับจิตใจเป็นการให้ความฉลาดให้แสงสว่างกับจิตใจให้รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกอะไรเป็นสิ่งที่ผิดอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษ ถ้าไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ศึกษาทางพระพุทธศาสนาแล้วจะไม่ถือว่าเป็นคนฉลาดจริงถึงแม้จะเรียนจบป ร, ริญญาระดับต่างๆมาก็ตามถ้าไม่ได้เรียนวิชาทางพระพุทธศาสนาก็จะยังไม่สามารถรักษาตนเองให้แค็งแกรางปลอดภัยได้แต่ถ้าได้เรียนวิชาทางศาสนาแล้วแม้จะไม่มีความรู้ทางโลกเลย แม้จะไม่ได้จบชั้นใดเลยก็ตามแต่จะอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขคล้าคลาดปลอดภัยไม่ให้ไม่มีความทุกข์มาเหยียบย่ำทำลายได้ดังนั้นจึงให้ความควรให้ความสนใจต่อการศึกษาวิชาความรู้ทางพระพุทธศาสนาควบคู่กับวิชาความรู้ทางโลก วิชาความรู้ทางโลกก็มีประโยชน์ในการใช้ในการเป็นเครื่องท ำ, ทำมาหากินมีความรู้มากก็จะทำงานได้เงินเดือนที่ดีได้ตำแหน่งที่สูงไม่มีความรู้ก็จะได้งานที่ต่างานที่มีเงินเดือนต่าเป็นงานหนะักต้องใช้แรงงานของตนต้องใช้ร่างกายทํา แต่ถ้ามีบริญญาก็จะใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาใช้กำลังทางความคิดมาทำมาหากินเลี้ยงปากเงงทองแต่มันยังไม่พอเพราะว่าความรู้ทางโลกไม่ได้ชี้บอกว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นคุณอะไรเป็นประโยชน์กับจิตใจ คนที่จบปริญญาสูงๆยังต้องไปติดคุกติดตารางก็มีต้องถูกเขาฆ่าตายไปก็มีเพราะไม่รู้จักการดำเนินชีวิตของตนเองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยต่างๆนั่นเองดังนั้นจึงให้ควรให้ความสนใจต่อการศึกษา วิชาความรู้ทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่เจ็ดวิชาด้วยกันและก็ไม่ใช่เป็นวิชาที่ยากเย็นอะไรใครๆก็สามารถเรียนได้นาเอาไปปฏิบัติได้ก็สำคัญอยู่ที่การนำเอาไปปฏิบัติเท่านั้นถ้าเรียนแล้วไม่นำเอาไปปฏิบัติก็จะไม่เกิดผลแต่อย่างใดวิชาที่ต้องเรียนนี้มีอยู่หนึ่งคือ ให้รู้เหตุ 2. องให้รู้ผล 3. ให้รู้ตนสี่ให้รู้บุคคลห้าให้รู้สังคมหกให้รู้จากประมาณเจ็ดให้รู้จากกาลเทศะนี่คือวิชาเจ็ดวิชาด้วยกันที่ผู้ใดก็ตามได้เรียนรู้ และสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้แล้วจะเป็นคนที่ฉลาดจริงเป็นคนที่รู้จริงเป็นคนที่จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างเจริญอยู่อย่างแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆดังนั้นขอให้เราให้ความสนใจต่อวิชาทั้งเจ็ประการนี้การรู้เหตุก็คือ การรู้ว่าการกระทาของเรานี้เป็นต้นเหตุที่จะทำให้เกิดผลต่างๆตามมาความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีเป็นผลที่เกิดจากการกระทาของเราการกระทาจึงเรียกว่าเหตุส่วนผลก็คือความสุขและความเจริญเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง นี่คือการรู้ผลต้องรู้ว่าผลนี้ไม่ได้เกิดขึ้นได้ด้วยความปรารถนาเพียงอย่างเดียวพวกเราทุกคนมีความปรารถนาที่จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความแค็งแกร่งปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายต่างๆแต่พวกเราไม่รู้เหตุที่จะทำให้มันเกิดขึ้นมามันก็ไม่เกิดเราต้องรู้เหตุ เหตที่จะทำให้เกิดความสุขนั้นท่านแสดงไว้ว่าอยู่ที่การกระทำทางกายวาจาใจที่เป็นบุญที่เป็นกุศลนั่นเองถ้าทำบุญทำสิ่งที่ดีที่งามคิดสิ่งที่ดีที่งามพูดในสิ่งที่ดีที่งามผลก็คือความสุขใจก็จะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนเช่นวันนี้เราคิดดี เราพูดดีเราทำดีเราก็มีความสุขใจมีความเย็นใจมีความสบายใจเพราะเราคิดว่าวันนี้เรามาวัดมาทำบุญเมื่อเราคิดแล้วเราก็ชวนเพื่อนฝูงเชญิญญาติสนิทมิตสหายมาร่วมทำบุญกันเมื่อเรามาถึงที่วัดเราก็นำเอาเข้าวของต่างๆที่เราได้ไปซื้อมา นำเอามาถวายพระเมื่อทำเสร็จแล้วใจของเราก็มีความสุขมีความเย็นมีความสบายนี่คือเหตุคือเราต้องรู้ว่าการกระทำนั้นเป็นเหตุการกระทำของเราสามส่วนด้วยกันคือทำทางกายทางวาจาและทางใจเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาทีนี้การกระทาก็ทำได้สามลักษณะ ทำดีก็ได้ทำบุญก็ได้ทำไม่ดีหรือทำบาปก็ได้หรือทำที่ไม่ใช่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็ได้มีอยู่สามทางด้วยกันถ้าทำบุญทำดีผลที่จะตาม Beispiel. มาก็คือความสุขใจถ้าทำบาปทำไม่ดีผลที่จะตามมาก็คือความทุกข์ใจถ้าทำที่ไม่ใช่เป็นบุญหรือไม่เป็นบาปก็ไม่มีความสุขใจ และไม่มีความทุกข์ใจเช่นเวลาเราไปทำมาหากินไปซื้ออาหารไปทำอะไรที่เกี่ยวกับตัวเราอย่างนี้เราเรียกว่าไม่ได้เป็นการทำบุญไม่ได้เป็นการทำบาปเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้อื่นแต่ถ้าเราไปทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นถ้าไปทำแล้วให้ทาให้เขามีความสุขทำให้เขามีความ สบายอย่างนี้เราก็เรียกว่าเราได้ทําบุญแต่ถ้าเราไปทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนอย่างนี้เราก็เรียกว่าทําบาปเพราะฉะนั้นขอให้เราระมัดระวังเรื่องของการกระทําของเราเราต้องรู้เหตุรู้ว่าการกระทําของเรานี้เป็นเหตุที่จะทําให้ผลที่เราปรารถนาและไม่ปรารถนาเกิดขึ้น เราไม่ปรารถนาความทุกข์ไม่ปรารถนาความวุ่นวายใจความเสื่อมเสียเราก็ต้องละเวงจากการกระทําบาปการกระทําที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นถ้าเราต้องการความสุขต้องการความเจริญเราก็ต้องทําสิ่งที่ดีทําบุญทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นนี่คือเหตุให้รู้เหตุ ว่าเป็นต้นและให้รู้ผลว่าเป็นปลายผลนี้ไม่เกิดขึ้นมาตามลำพังของเขาเองจะต้องมีเหตุชีวิตของเราทุกวันนี้ที่เราเป็นอยู่อย่างนี้ก็เพราะเราได้ทำเหตุมาทาให้ส่งผลให้เราเป็นมาอย่างนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอด เราต้องการให้ดีขึ้นเราก็ทําดีมากขึ้นถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์ต้องการความทุกข์ให้น้อยลงเราก็ทําความไม่ดีทํำบาปให้น้อยลงไปนี่คือเรื่องของการรู้เหตุรู้ผลถ้าเรารู้เหตุรู้ผลแล้วเราจะได้ดําเนินเหตุให้ดี เราจะได้ละเว้นเหตุที่ไม่ดีเพื่อผลที่ดีจะได้ปรากฏขึ้นมาเพื่อผลที่ไม่ดีจะได้ไม่ปรากฏขึ้นมานี่คือหนึ่งในสองสองวิชาใน7วิชาวิชาที่สาเราต้องรู้จักตัวเราเองถ้าเรียกว่ารู้จักตนเพราะคนเราอยู่ในโลกนี้มีสมมุติต่างๆกัน เป็นหญิงเป็นชายเป็นคารวดเป็นพระเป็นลูกจ้างเป็นนายจ้างจะมีฐานะต่างกันเป็นครูเป็นลูกศิษย์เป็นนักเรียนมีฐานะต่างกันการกระทาตนเองหรือการวางตนเองประพฤติตนเองให้เหมาะสมกับฐานะของตนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะถ้า ประพฤตตนเองไม่ถูกแล้วก็จะเกิดความเสียหายขึ้นมาได้เป็นผู้ใหญ่และวทำตัวเป็นเด็กก็จะไม่มีใครเขาเชื่อก็ไม่มีใครเขานับถือเป็นเด็กทำตัวเป็นผู้ใหญ่ก็จะถูกเขาผู้อื่นตำหนิว่าไม่รู้จักไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำต้องรู้จักฐานะของเรา หน้ฐานะของเรานี้ก็เกี่ยวข้องกับผู้อื่นด้วยเพราะว่าผู้อื่นนั้นเขาก็มีฐานะต่างกับเราเราจึงต้องรู้ตนและต้องรู้บุคคลบุคคลก็คือผู้อื่นผู้ที่เราเกี่ยวข้องด้วยเขาก็มีฐานะต่างกันไปการที่เราจะปฏิบัติกับบุคคลต่างๆก็ต้องต่างไปตามฐานะของเขา บางคนก็มีฐานะสูงกว่าเราบางคนก็มีฐานะเท่าเราบางคนก็มีฐานะต่ำกว่าเราเราจะปฏิบัติเหมือนกันหดไม่ได้เช่นคนที่สูงกว่าเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณเราก็ต้องให้ความเคารพเราต้องเทเราต้องไม่ตีตนเสมอท่าน ส่วนผู้ที่เสมอเราเช่นเพื่อนฝูงเราก็ต้องให้ความเสมอภาคกับเขาไม่ทำไม่ไม่ถือตนว่าสูง ก, กว่าเขาและไม่ทำตัวให้ต่ำกว่าเขาต้องมีความเสมอภาคกันให้มีความเมตตาต่อกันเป็นมิตรกันส่วนผู้ใหญ่เราต้องให้ความเคารพ เราต้องมีความกตัญญูต่อผู้ใหญ่และส่วนผู้ที่ต่ำกว่าเราเช่นน้องเราลูกเราหลานเราเราก็ต้องให้ความเอ็นดูเราต้องให้ความการุณาความสงสารคอยดูคอยช่วยเหลือคอยสงเคราะห์เขาเพราะเขาอ่อนกว่าเราเขาไม่มีความรู้ความสามารถมากเท่าเรานั่นเองการปฏิบัติกับ บุคคลต่างๆให้เหมาะสมถูกต้องและไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นมาก็ต้องรู้จักว่าเขาเป็นใครรู้จักบุคคลและเราต้องรู้จักตัวเราด้วยว่าเราเป็นใครเราเป็นคาราวาเราก็ประพฤติตนอย่างหนึ่งเราเป็นพระเป็นนักบวชก็ต้องประพฤติตนอย่างหนึ่งเป็นหญิงก็ต้องประพฤติตนอย่างหนึ่งเป็นชาย ก็ต้องประพฤติตนอย่างหนึ่งถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะกลายเป็นคนที่ทเพียนไปเป็นคนที่จะไม่มีใครให้ความสำคัญเราจะอยู่ในสังคมไม่สะดวกไม่สบายจะทำอะไรก็จะมีอุปสรรคต่างๆตามมาดังนั้นขอให้เรารู้จักตนรู้จักเพศของเรารู้จักฐานะของเรา และให้รู้จักผู้อื่นว่าผู้อื่นนั้นเขาสูงกว่าเราเท่าเราหรือต่ำกว่าเราเพื่อเราจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องนี่คือความรู้วิชาความรู้ที่สามและที่สี่คือรู้ตนและรู้บุคคลวิชาต่อมาคือให้รู้สังคมสังคมนั้นเขาก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ มีกฎมีระเบียบต่างๆเราอยู่ในสังคมเราก็ต้องเคารพกฎประเพณีดังโบราณที่พูดไว้ว่าอยู่เมืองหลิวก็ต้องหลิวตาตามอยู่เมืองไทยเขาขับรถทางซ้ายของถนนเราไปขับทางขวาของถนนเหมือนกับประเทศลาวไม่ได้พอไปขับทางขวาเดี๋ยวก็ต้องชนกันอย่างแน่นอน สังคมนั้นเขามีกฎมีระเบียบมีประเพณีต่างๆเราต้องศึกษาและต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องเพราะถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องก็จะเกิดโทษกับเราได้เช่นป ร, ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธรูป แต่คนที่เขาไม่นับถือศาสนาพุทธเขาอาจจะไม่รู้ก็าอาจจะเห็นว่าพระพุทธรูปก็เป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งเขาอาจจะเล่นกับพระพุทธรูปเหมือนกับนั่นกับตุ๊กตาเช่นไม่ไม่ตั้งไว้ในที่สูงหรือถ้ามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ก็ขึ้นไปปีนนั่งบนบาทไปนั่งกอดคอพระอย่างนี้ ถ้าผู้ชาวพูดเห็นเข้าก็จะทำให้สะเทือนใจได้และก็จะทำให้คนกระทำนั้นถูกจับไปลงโทษได้เพราะไม่รู้ไม่รู้สังคมนั่นเองว่าเขามีกระดบธรรมเนียมประเพณีอย่างไรเวลาเราอยู่สังคมนี้เราก็ต้องรู้ว่าสังคมนี้เขาทำอย่างไรเวลาเราไปอยู่อีกสังคมหนึ่งเราก็ต้องรู้ว่าเขาทำอย่างไร ในสังคมของทหารเขาก็มีกฎมีระเบียบมีกติกาของเขาสังคมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็มีขนบธรรมเนียมมีประเพณีปฏิบัติของเขาไม่ว่าเราจะไปอยู่ในสังคมใดเราก็ต้องศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนั้นและปฏิบัติตามถ้าเราปฏิบัติตามได้เราก็จะไม่มีปัญหากับใครนี่คือ วิชาที่เรียกว่ารู้สังคมนวิชาต่อมาวิชาที่หกคือให้รู้จักประมาณรู้จักประมาณก็คือให้รู้จักความพอดีไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปเช่นการบริโภคอาหารก็ควรจะบริโภคพอประมาณมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเ ก, กินไปก็ไม่ดีรู้เสื้อผ้าก็เช่นเดียวกันถ้าหลวงไปก็ไม่ดี ถ้าขับไปก็ไม่ดีรองเท้าลวมไปก็ไม่ดีคับไปก็ไม่ดีนี่คือความรู้จักประมาณต้องรู้จักพอพอพอดีว่าความพอดีของเราอยู่ตรงไหนเรามีรายได้เท่าไหร่เราก็ต้องใช้ให้มันพอดีกับรายได้คือต้องมีรายมีรายได้ต้องไม่ใช้มากกว่ารายได้และนอกจากไม่ใช้มากกว่ารายได้แล้ว ยังต้องมีแบ่งเก็บไว้ด้วยเผื่อวันข้างหน้าถ้าเกิดตกงานตกการไม่มีรายได้จะได้มีเงินที่เราเก็บไว้มาเลี้ยงดูเราต่อแต่ถ้าเราใช้หมดเลยได้มาเท่าไหร่ก็ใช้หมดพอเกิดวันไหนเราตกงานหรือเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถทำงานได้เราจะลำบากเราจะไม่มีเงินทองไว้ดูแลเรา นี่คือความรู้จักพอดีรู้จักประมาณนะถ้าเพราะถ้ารู้จักคำว่าพอแล้วมันก็ดีความพอดีก็คือต้องรู้จักคำว่าพอความว่าพอนี้ความจริงมันไม่มากเลยอาหารการกินก็ไม่มากเสื้อผ้าผา่อนก็ไม่มากที่อยู่อาศัยก็ไม่มากยารักษาโรคก็ไม่มากแต่ถ้าไม่รู้จักพอแล้วมันจะ หามามากจนเกินความจำเป็นไปก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรจะทำให้เสียเวลาเสียเงินเสียทองไ ป, ปเปล่าๆจึงขอให้เรารู้จักความพอดีของแต่ละคนเพราะคนเรานั้นมีมีรูปร่างหนา้ามีรูปร่างมีฐานะต่างกันคนที่ตัวใหญ่ก็ต้องกินมากหน่อยมากกว่าคนที่ตัวเล็ก คนที่มีเงินมากกว่าก็ใช้ได้มากกว่าคนที่มีเงินน้อยกว่าฉัางนั้นความพอดีของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันต้องดูตัวเราอย่าไปดูผู้อื่นานางโบราณที่ท่านบอกว่าเห็นช้างขี้อย่าไปขี้ตามช้างเห็นคนรวยเขาใช้เงินใช้ทองซื้อของแป่แงๆมาใช้แต่เราเป็นคนจนกว่าเขาเงินทองน้อยกว่าเขา เราอย่าไปทาตามเขาเพราะเราจะลาบากเพราะเราจะไม่มีเงินใช้จะไม่มีเงินพอใช้และจะต้องไปหาเงินมาในวิธีที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้เราต้องมีความทุกข์มีปัญหาต่างๆตามมาจึงขอให้เรารู้จักประมาณในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องด้วย าการสุดท้ายท่านสอนให้เรารู้จักการละเทศะคือให้รู้จักการลสถานที่การเวลาและสถานที่ในแต่ละสถานที่ในแต่เวลานี้เขามีการกระทําที่ไม่เหมือนกันเช่นมาวัดก็เป็นสถานที่แบบหนึ่งไปโรงเรียนก็เป็นสถานที่แบบหนึ่งไปสถานที่ไปที่บันเทิงไปโรงหนังโรงละคร ไปตามบาตามผับก็เป็นสถานที่อีกแบบหนึ่นงการแต่งกายไปตามสถานที่ต่างๆก็ต้องแต่งกายให้เหมาะกับสถานที่นั้นๆและการวางตัวก็ต้องให้เหมาะกับสถานที่มาวัดก็ต้องสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจถ้าไปตามบาตามผับก็ tamanho, ไป ค, คึกขนองไปกระโดดโน้ตเต้นไปสํารวมในที่นั้นก็ไม่เหมาะ มาคึกขนองมากระโดดโน้ตเต้นในวัดก็ไม่เหมาะเช่นเดียวกันนี่คือความหมายของกาลเทสะต้องรู้ว่าความเหมาะสมของสถานที่และเวลานั้นเป็นอย่างไรควรจะพูดหรือไม่พูดควรจะพูดมากหรือพูดน้อยหรือไม่ควรพูดเลยควรจะทําหรือไม่ควรจะทําอะไรเลยต้องศึกษาต้องดู เพราะถ้าไปทำในเวลาที่ไม่ควรจะกระทาก็ไม่ดีสร้างความเสียหายได้เช่นในขณะที่กำลังฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ควรทำอย่างอื่นไม่ควรเตรียมกับข้าวกับปาอาหารไม่ควรยกของมาถวายไม่ควรมาตักบาตตอนนั้นตอนฟังธรรมเป็นเวลาที่ควรจะนั่งสงบตั้งใจฟังอย่างเดียวนี่คือเรื่องของการรู้จักกาลเทศะ ถ้าไม่รู้จักกาลรระเทสะทำอะไรไปผิดผิดก็จะทำให้เกิดโทษกับตนเองได้เช่นเดียวกันใครก็ตามถ้ามีความรู้ทั้งเจประการนี้แล้วรับรองได้ว่าจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจะไม่มีปัญหาไม่มีโทษไม่มีภัยต่างๆมามามาทำลายตนได้อย่างแน่นอนจึงขอให้เราให้ความสนใจ ต่อการศึกษาวิชาความรู้ทางพระพุทธศาสนาขอให้ถือเป็นวิชาหลักส่วนวิชาอื่นนั้นขอให้ถือว่าเป็นวิชารองไม่ไม่ได้เรียนอย่างอื่นก็ไม่ไม่เป็นปัญหาถ้ารู้วิชาทางพระพุทธศาสนานี้แล้วรับรองได้ว่าเอาตัวรอดได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการใช้เวลาในวันหยุด เช่นวันนี้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการมาบําเพ็ญบุญบา ร, รมีต่างๆอย่าปล่อยให้เวลาอันมีค่าของชีวิตผ่านไปโดยไม่ได้บําเพ็ญบุญบา ร, รมีเพราะจะเสียชาติเกิดจะได้จะไม่ได้อะไรติดเนื้อติดตัวติดใจไปจะไม่ได้พัฒนาชีวิตจิตใจของตนให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นจึงขอฝากเรื่องราวที่ท่านได้ยินได้ฟังนี้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 ด้วยอายุวั น, นสุขภะะโดยทั่วหน้ากันเธอ